โลกที่มันมีศาสนาะต้องเป็นโลกที่เดอดร้อนอย่างไม่มีปัญหาคนไม่มีศาสนาะก็เช่นเดียวกันแยกมาเป็นโลกแล้วมาเป็นคนเป็ น, นลายลายเรื่องให้ความเป็นธรรมไม่มีอัน อันใดที่จะให้ความเป็นธรรมยิ่งกว่าศาสนาเพราะศาสนาออกมาจากท่านผู้เป็นธรรมคือพระพุทธเจ้าเป็นธรรมทั้งดวงภายในใจและตอนนำมาแผ่ประจายตัวโลกสัวสงสาร พู้ที่มุ่งต่อเหตุต่อผลต่อทำตามพระองค์ท่านจริงๆก็ยอมรับผู้ที่มีสิ่งผิดวังมีพิษมีภัยอยู่ภายในจิตใจก็ไม่ยอมรับก็เป็นกรรมของแต่ละคนละคนผู้ที่ม่ยอมรับเอาเลยนันก็สุดวิสัยเรื่องให้ความเป็นธรรมจากท่านผู้สิ่งกิเลส กับให้ความเป็นธรรมของผู้มีกิเลสนี้ย่อมต่างกันอยู่มากใครจะพูดว่าอะไรก็ตามเถอะถ้าจิตใจยังมีสิ่งที่เป็นพิษภัยอยู่ภายในนั้นต้องแทรกออกมายึดระบายออกมาจนได้ไม่มากกาน้อยผู้ไม่มีเป็นสิ่งที่เป็นพิเป็นภัยเลยนั้นยังไม่มีอะไรที่จะแทรกออกมา ยืแสงออกมาเพราะไม่มีมีแต่ทำล้วนๆรำล้วนๆ น, นั้นให้ความเสมอภาคให้ความเป็นธรรม่เสมอไปหมดแม้แต่สัตว์ดิบดิฉานตัวเล็กๆขนาดไหนก็ตามทั้งที่ท่านบรรดัตห้ามไว้ไม่ให้ทำลายสัตว์แม้แต่อยู่ในคันให้ความเสมอภาคมาแล้วตั้งแต่น้นเห็นความสำคัญของสัตว์มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้อง แต่ว่าออกมาเป็นตนเป็นตัวเป็นสัด์เป็นบุคคลให้เห็นอย่างด้วยตาเนื้อของเราอย่างชัดเจนนี่เลยแม้แต่อยู่ภายในการ น, นึกละเอียดขนาดไหนก็ไม่ให้ทําลายเป็นให้ความสมบูรณ์ภาพการที่จะมาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปด้วยอํานาจของจิตหรือความรูความเห็นที่เต็มเปด้วยกิเลสนี่ ใครจะว่าเยี่ยมว่ายอดว่าดีว่าดีขนาดไหนก็คือความเร็วขนาดนั้ น, นมันคงข้างคงท่ า, าอย่านี้เพราะมันเสียสัรกันขึ้นที่เฉยไม่ใช่เป็นขึ้นมาด้วยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติที่เป็นเองกับสิ่งที่เสียสันขึ้นมานั้นขีดกันศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือธรรมเป็นสิ่งที่สมบูรณด้วยหลักธรรมชาติไม่ต้องไป แารแปลงแก้ไขอั น, นใดเราพูดถึงส่วนรวมทั่วๆไปที่นยนเข้ามาถึงตัวของบุคคลเราแม้เป็นผู้นับถือศาสนาระ ย, ยระยยใดขนาดใดที่จิจทางเหวินจกรรักทำคืูสติปัญญาเครื่องค่อครวญระยะนั้นที่เหลือย่มแท้ขึ้นมาได้ผลย่อมมีความโดดร้อนให้เห็นอย่างชัดเจนภายในตัวเอง ยิงต่อยสติสตงังไปทั้งวันทั้งคืนคิดไปตามนัะธากำรโรดยแล้วก็ ย, ยินไปใหญ่ที่ยับยังไม่ได้ถ้ามีสติสตังหรือมีปัญญาใค่้ควรต้านทานด้ า, ตางต่างกำลังของตนก็พอมีเหลื้อคือพอให้มีความถุกความสงบได้ถือแต่มีสติมีปัญญามาก <c oughs> มีความเฉลียวฉลาด ในด้านปฏิบัติต่อจิตใจภายที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจก็น้อยถือำาำระได้โดยเด็ดขาดไม่มีภายภายในใจเลยนัน่นคือว่าเป็นผู้มีความสุขความสมบูรณ์นี่แหละคนคนเราเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นรูปคนเป็นหญิงเป็นชายเหมือนกันก็ตามแต่ภูมิแห่งความเป็นอยู่ภายในจิตใจมีผิดกันอย่างนี้ ความรู้ความเฉลลาดมีลึกตื้นหนาบางต่างกันฐานของจิตก็มีความเหน่มล่ำต่ำสูงต่างกันอย่างนี้ท่านจึงไม่ให้ประมาทวาสนาของกันและกันแม้เขาเป็นสัตว์ก็ไม่ประมาทวาสนาของเขาว่าเขาเป็นสัตว์เราเป็นมนุษย์มันเป็นไปตามยถากรรมอือเป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกแต่ละหลายๆมีตัวเราคนหนึ่งที่เป็นเช่นเดียวกับสัตว์โลก ระายะาเราที่เกิดมาเสวยความเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็เหมือนว่าเราเรานี่สูงส่งกว่าเขาระยะที่เขาเป็นสัตว์ก็เหมือนกับว่าเขาตันต้อยร้อยยืดเท้าบรรดาศักย์ยือเท้านะต่างๆความจริงเขาก็มาเสวยตามกรรมของเขาตามธรรมที่ท่านบอกกรรมนองสติยุพธาจิตยอดีดังหินัปปณิตังการย่อมสจนแน่แก่สัตว์ให้เป็นต่างๆกันคือประนี่เรือสามต่างกัน เป็ น, นลายไปไงอันนี้เป็นไปด้วยอํานาจแห่งกรรมที่ตนนั่นแหละทำไว้เวลาแสดงผลออกมาตนไม่ทราบว่าผลนี้เกิดมาจากอะไรตามเป็นก็ต้องเสวยไปตามนิบากแห่งกรรมที่ปรากฏขึ้นกับตัวของเราเองดังนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงมีแตกต่างกันท่านมาประมาทอํานาจวาสนาพบภูมิของกันและกันเพราะกําลังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะด้วยกัน มีการเปลี่ยนแปลงสูงบ้างต่ำบ้างตามอำนาจแห่งกรรมนิยมที่มีอยู่ภายในจิตของแต่ละลายหลายๆสัตว์บางตัวแม้เขาจะเป็นสัตว์ก็ตามแต่พื้นฐานแห่งจิตใจทั้งของขาอัตต์ดีกว่ามนุษย์เป็นบา ง, งายก็ยังมีแต่ในวาระนั้นก็เรียกว่าสเสวยกรรมตามวาระของตนก่อนพอพ้นจากนั้นไปแล้วเขาอาจจะสูงกว่ามนุษย์ก็ได้มนุษย์เราอาจจะต่ำกว่าเขาก็ได้ มันเป็นไปตามเวละเว้นแต่ผู้ที่ดําเนินจิตใจให้มีละลาภมีฐานไปโดยลํำดับลําดับนั้นจะมีความสูงขึ้นไ ป, ไปลํำดับเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระา ญ, ญาบุคคลตั้งแต่ขั้นโสดาขึ้นไปนี่เป็นผู้แน่นอนต่อความพ้นทุกข์อย่างห้าก็ไม่เลยเจ็ดชาติท่านก็บอกไว้แล้วตรงนี้เป็นผู้แน่นอนที่จะก้าขึ้นสู่ภูมิถุงโดยลําดับนองนั้นท่าน ไม่ได้รับรองว่าเป็นความแน่นอนแน่นอนจึงต้องมีสูงสูงต่ำต่ำเป็นเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปเมื่อเราทราบจยู่จากใจใจของเราจากทำคำตัางสอนของพระเจ้าที่ทรงที่แสดงว่าด้วยความจัดความจริน่นนี้เราจรึงไม่ควรประมาทในตัวของเราเองเฉพราะยางยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติความเข้มแข็ง ทางด้านจิตใจความแย่ียวฉลาดทางด้านปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะผิดขึ้นได้ในขณะนี้ในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้เราจรึงไม่ควรจะปล่อยให้ไปตามยถากรรมให้ชาตินู่นชาตินี้วันนั้นเดือนนั้นปีนี้มาตัดสินให้เราอันนั้นเป็นความผิดเพราะมื้อวันปีเดือนหรือการสถานที่ใ ด, ดนั้นไม่ใช่เป็นผู้มารับผิดชอบเราเราเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองในเอียบททั้งสี่ มันเป็นก็ดีความตายไปในพวกใ้ก็ดีที่ต้องรับสูบรับทุกเป็นเรื่องของเราจะต้องรับโดยสินเชิงไมมีผู้ใดจะมาแบ่งสู้แบ่งรับรู้แบ่งสันกันส่วนให้มีความเบาบางจากเราไปบ้างที่ันเป็นความทุกข์อย่างนี้ไม่มีเราจรึงควรเข้มแข็งพิจารณาแก้ไขตนตั้งแต่บัดนี้พิษเป็นสิ่งที่ชำระได้ชำระสัสางให้เป็นของสะอาดได้ จากมุงทินทั้งหลายเพราะธรรมะทั้งมวล น, นั้นถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับน้ำที่สะอาดระลับชำละสิ่งสกปรกสโสโครกทั้งหลายนั่นแหละหากป ร, รมะชำละสิ่งสกปรกสโสโครกภายในจิตใจของสารโลกให้ได้แล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีสาวกอรหันตังหันก็ดีไม่มีองค์ใดที่จะเป็นผู้สะอาดปราศจากมุทินโดยความบือสุดได้เลยคือถึงความบือสุดได้เลยต้องเป็นผู้น ผู้ที่ต้ม อ, อยู่ในกองทุกข์เช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปแต่นี้ก็เพราะทมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดอยู่แล้วผู้นำมาประพฤติปฏิบัติก็เท่ากับนำมาซักฟอกจิตใจของเราของตนให้มีความสะอาดขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่ ในลนนี้จิตของเราเป็นอย่างไรสังเกตทดสอบบวกลบผลลายได้ลายเสียวันนี้ถึงวันนี้เช้านี้มาถึงตอนนี้ทดสอบอยู่เสมอและพยายามผิดสติปัญญาขึ้นนี่เรื่อยเข้มแข็งขึ้นโดยลำดับส่วนร่างกายมันก็เป็นเรื่องของมันอย่างนั้น เวลามีกําลังบังชาก็เหมือนจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนๆกันหมดเอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เหมือนจะมีกําลังบางชาต่อไปอยู่รู้เหมือนก็จะล้มจะตายไปในขณะนั้นแล้วมันก็พื้นไปได้ถึงโลกอันนี้จังเป็นอย่างนี้นอกจากมาสูวิสัยแล้วมันก็ตายแล้วด้วยกันทุกคนกําลังบางชาของทางกายเป็นอย่างหนึ่งกําลังบางชาของจิตเป็นอย่างหนึ่งเวลานี้เราต้องการกําลังทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้ก็เราก็ได้อาศัยเข้ามานานคือธาตุขันธ์สกุลนการนี้ได้อาศัยเข้ามานานขั้นต่อมาต่อมาเมื่อมันหนักเข้าหนักเข้ามันก็มาทับเราเจ็บเลียบเจบนอ้อยเจ็บที่ตรงไหนตรงไหนปวดที่ตรงไหนก็มาทับเราทับเราถ้าเรามีสติปัญญาทานันเราก็ต้านทานได้กีด ก, กันสิ่งนั้นได้หรือหลีกเลี่ยมความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยสติปัญญาของเร า, เราจิตใจก็ไม่รับความาทุกข์ทุกข์จากสิ่งเห่านี้ หาเราไม่ได้ชำนะสาสะางหรือสติปัญญาของเราไม่ทันเรากับจิตแบบนี้ก็จะพัวพันมัดกันอย่างแน่นหาทางออกไม่ได้กายทุกใจก็ทุกเนี่ยกายร่างกายทุกส่วนไหนใจก็ทุกไปหมดทั้งดวงแม้จะร่างกายจะไม่ทุกไปหมดทั้งตัวก็ตามแต่ใจจะทุกไปหมดทั้งดวงไม่นจะเป็นแบบที่ว่าร่างกายเจ็บส่วนนั้นจิตก็มาทุกส่วนนี้ ร่างกายเจ็บน้อยทุกข์ภัยจิตก็เจ็บส่วนนี้ย่อยๆนิดหน่อยเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นจะเจ็บมากเจ็บน้อยมันก็เป็นทุกขก์ภัจิตทั้งดวงนั่นแหละจิตไม่น่าจะให้เป็นทุกข์ธรรมดาของจิตที่มีกิเลสหากไม่ได้ชำะระควนอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นทุกข์ไปทุกระยะ ผิดไม่มีสติอินี่มีปัญญากระทบมากน้อยเพียงไรก็าตามจะต้องสังสมทุกข์ขึ้นภายในตัวอย่างมากมายและอย่างรวเดเร็วด้วยแต่ผิตที่ยงรับการอบรมไม่เป็นอย่างนั้นอะไรเจ็บขนที่ตรงขึ้นที่ตรงไหนภายในร่างกายส่วนต่างๆก็ทราบตามหลักของปัญญาที่เดือพิจารณาไว้แล้วอันนี้แสดงตัวผิดปกติขึ้นมาอาการนี้แสดงผิดปกติขึ้นมาอย่างนี้มีความเก็บความทุกขเป็นอย่างนั้น อาการนั้นเป็นอย่างนั้นมีความทุกข์เป็นอย่างนั้นนั้นก็ทราบตามอาการของกายที่แสดงขึ้นกายผิดปกติเวทนาก็แสดงตัวขึ้นมาจากความผิดปกติใจก็รู้ตามทั้งสองอย่างที่มันผิดปกติแต่ใจไม่ให้ผิดปกติเพราะเหตุว่าใจมีปัญญานี่แหละท่านรู้กับพวกเราต่างกันที่ตรงนี้ถ้าเจ็บหมดทั้งทั้งร่างก็ตามจิตใจทุกท่านไม่หวัน่น ทอรู้ตามเป็นจริงทั้งหมดทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เจ็บท่านพิจารณารู้รอบด้วยปัญญาแล้วเวลาเจ็บก็แสดงสักขีปัญญให้ท่านเห็นเนี่ยที่ปัญญาได้พิจารณาแล้วนั่นถูกต้องดีแล้วเวลานี้ปรากฏขึ้นเช่นนี้ตามหลักของปัญญาที่รู้ไว้แล้วท่านก็ไม่หวั่นเพราะท่านทราบไว้ก่อนห น, น, น้าแล้วจนกระทั่งร่างกายจะทนไม่ไหวจริงๆท่านก็ทราบว่าร่างกายนี่จะทนไม่ไหว แต่จิตของท่านทนได้สบายแล้ไม่ต้องทนไงแต่พูดถึงว่าทนตามความสมมุติจิตของท่านทนได้ไงไม่ทุรนทุรายไปตามถ้าจะว่าทนนะแต่มันขัดที่ว่าทนจิตของท่านไม่กระทกกระเทือนว่าอย่างนั้นถู ก, ถกต้องนั่มีความหวั่นไปตามผู้กรเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจังมากจังน้อย ร่างกายจะทนมไม่ไหวก็ทศา้ว่าจะทนมไม่ไหวจะแตกก็ทศร้ว่าจะแตกแ ต, แต่จิตไม่แตกนะจิตมีความสม่ำเสมอตัวตลอดเวลาทั้งที่เวทนาเกิดขึ้นทั้งทีิเวทนาตั้งอยู่ทิเวทนาดับไปหรือไม่เกิดขึ้นมีความเป็นปกติอยู่เช่นนั้นจึงชื่อว่ารู้รอบด้วยปัญญาเนี่ยตรงนี้อ่ะตอนหัวเรื่องหัวต่อเนี่ยสาคัญมากเราพิจารณา หรือเราภาวนามานานแสนนานนานมาเท่าไหรให้เราสังเกตดูความรูม้ความฉลาดของเรากับทุกเวทนาที่ปรากฏขึ้นมากน้อยอินเราเป็นอย่างไรเราทราบตรงนี้ถ้าสติปัญญารอบแนวทุกไม่ทุกเกิดไม่เกิดก็ตามมันทราบอยู่เป็นปกติอันนั้นไม่มีปัญหาถึงการจะไยก็ไปเลย ถาหันท่านที่ไม่ลำบากในเวลาตายเหมือนปุถิชนทั้งหลายปุถิชนคนสามัญล้วนี่โหลำบากมากเป็นทุกข์เป็นร้อนภายในร่างกายยังไม่แล้วความไปทุกข์ร้อนภายในยจิตนัีนมันมากมาย ก, กายกองเป็นไฟทั้งดวงเผาในเวลาความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในตัวมากาก็ทาให้ลาบากออกไปข้างนอก คนนั้นไม่ดูไม่แลร์คนนั้นไม่เอาใจใส่คนนั้นไม่เห็นบุญเห็นคุณของเราเลยว่าไว้ลูกก็เป็นไม่ดีล้านไม่ดีเลยไม่ดีอคนใชยไม่ดีเพื่อนฝูงที่เคยสนิทสนมเคยอุปการะเขามาแเวลาเราเป็นคนนี้ไม่มีใครมาเหลือแล้วไม่ดีเลยไม่ดีหมดทำไมถึงไม่ดีเพราะหัวใจเรามันมันร้อนมันเป็นฟืนเป็นไฟอะไรอะไรก็ไม่ดีไปหมด ทวามละไม่ภายในจิตใจนั้นเหมือนจะเป็นความละไม้ทุกข์ความจริงไม่ใช่ละไม้ทุกข์มันเพิ่มทุกข์เมข้ามาภายในตัวเองนี่เรื่องสามัญชนเราเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับพระอรหันต์ท่านไม่เป็นเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครไม่ไปนสนใจคิดว่าคนนั้นดังนั้นคนนี้อย่างนี้ดังสามัญชนเรา เห็นแตรู้ตามความจริงของธาตของขันที่มันแสดงตัวขึ้น ม, มามากน้อยในเรื่องทุกขเวทนาถึงคราวแตกคราวดับจริงจริงขั้นก็ทราบชัดไม่กังวลวุ่นวายอแต่ก็แตกแตกเขาอยู่มันก็คือธาตุอันเดียวกันเนี่ยแต่ไปแล้วมันจะไปไหนก็เป็นเรื่องของมันหากความรับผิดชอบไปแล้วพ้นจากความรับผิดชอบไปแล้วอิจไม่ต้องรับผิดชอบก็กินได้เลยนั่นแหละท่านว่าอัมพุปาที่เสสานิพานหากังวลไปหมดในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้ ก็ต้องได้รับทราบผนิวตลอดเวลาที่ประสาทใช้อยู่ในส่วนร่างกายส่วนต่างๆทั้งหู ท, ทัทง้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้ยงทั้งกายตลอดถึงทางใจก็ต้องมีคิดได้ปุงเมื่ออาศัยกันอยู่ก็เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่า อ, อสะอุปาริเสสนิพานคือถึงคำบริสุทธิ์ลิมูธไปแล้วแต่ท่าขันนี่มันไม่บริสุทธิ์กับเรา ก็ต้องกออกวนตงั้นก่อควรตรง น, นี้ให้รับทราบมันอยู่รับผิด ช, ชอบมันอยู่เรื่อยๆภาหลับภานอนตาเป็นอบุบปูวายตลอดสายเป็นแต่เพียงว่าไม่ทุรนทุรายไม่หลงกับมันเท่านั้นเอานักปฏิบัติให้มีความมั่นคงภายในใจให้เป็นที่แน่ใจทนได้ อย่าให้เสียทีทุกขนาดไหนก็ให้ประมวลลงมาว่าทุกขเวทนาเป็นสัจธรรมอันหนึ่งหรือเป็นก้อนอย่างใจรักอันหนึ่งเท่านั้นเนี่ยความเป็นใจรักกับความที่รู้อยู่ภายกิจนี้ไปในคนละอย่างไม่ใช่อันเดียวกัน ร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะพระร่างกายผิดปกติก็เป็นส่วนหนึ่งจิตที่รู้ก็เป็นส่วนหนึ่งสติปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้และเพื่อกาจัดปัดเตาสิ่งเหล่านี้ไม่มาค่าคราวฝึกจิก็เป็นเครื่องมือที่เยี่ยมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วถ้าให้พอกับความต้องการ ปัญญามีไว้สําหรับช้าแก้เดีแก้ความรุ่มหนุองตนเองถ้าให้เพียงพอกับความต้องการเรื่องตายนั้นมีอยู่กับทุกคนมันเป็นสิ่งที่น่าวิตกตายก่อนตายหลังก็คือความตายนั่นเองไม่เห็นมีอะไรผิดแตกกันคนนี้ตายวันนี้คนนั้นจะตายวันพรุ่งนี้ก็คือความตายเองจิต จนล้วนแล้วไม่มีการไม่มีเวลาไอ้เรื่องการเรื่องเวลานั้นเป็นความคาดความหมายของจิตซึ่งก่อความกังวลให้ตนต่างหาความตายจริงเขาก็ไม่มีการไม่มีเวลาของเขาเขาไม่มีกฎมีเกณฑ์ตั้งเอาไว้เหมือนษษมนุษย์เรามนุษย์เรานี่ชอบตั้งกฎตั้งเกณฑ์นั่นอย่างนั้นนั่นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ตั้งทําความสําคัญมั่นห ม, มายในตั้งกฎตั้งเกณฑ์นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่กังวลก่อความโกรให้เกิดตนทั้งนั้น คู่เขเยเอาตลอบเวลาก็คือใจให้เราทราบในิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยตายที่ไหนตายการใดเวลาใดตายได้โรคอะไรนั่นก็คือเรื่องความตายวันนี้วันหน้าก็คือความตายจิตจริงๆไม่มีการไม่มีฐานที่ไม่มีว่ากับโรคอันใดเพราะจิตไม่ใช่เป็นโรคแบบนั้นเป็นโรคกิเลสต่างหากถ้าแก้กิเลสอราได้มากน้อย จิตก็มีความผาสุขสบายโดยไม่ต้องมีการมีเวลาเช่นเดียวกันเินจิตที่บริสุทธิ์แล้วอาการนิกจกิตไม่มีอะไรก็ไปแทรกเลยนี่ให้เราคิดตรงให้ตกทุกสิ่งทุกอย่างชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมตรงตกที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าอื่นไอัเรื่องสมบัติงเงินทองขอ ง, ของ ค, นนคนนั่นคนนี้ยากนิ สหายอะไรนี้มันไกลแสนไกลไอสิ่งที่เกี่ยวพันกับตนเองอยู่นี้คือขันห้าร่างกายกับจิตที่อยู่ด้วยกันนี่เป็นสิ่งสำคัญต้องเรียนตรงนี้ให้ทันกับสิ่งนี้ให้รู้ให้รู้ตามความจริงของมันอย่าไปขาดความจริงถ้าขาดความจริงแล้วก็ฟืน้นกิเลสขึ้นมาเหมือนกับปลูกกิเลสขึ้นมาให้เป็นต้นเป็นลำแล้วก็มรารวีเรานั่นแหละขันมันเป็นเช่นไร เราเรียนมาแล้วเรื่องขันคืออะไรบ้างคือรูปความหมายจึงกายทั้งหมดนี่นี่ก็เป็นขันอันหนึ่งเป็นหมวดอันหนึ่งหรือเป็นกองอันหนึ่งนี่กองทุกันเนี่ยจะเป็นกองอะไรขันห้าแปลว่ากองกองทุกันเนี่ยมันทุกอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนภูเขาก็ไม่ได้มาทําให้คนเป็นทุกหรือภูเขาไม่ได้เป็นทุกดินฟ้าอากาศไม่ได้เป็นทุกมันเป็นทุกที่ขันห้านี่นี่ฟังที่มันเป็นทุกขที่ขันห้านี่ถ้าจิตของเราหลงเราก็เป็นทุกด้วย ถ้าจิตแล้วไม่หลงก็เป็นทุกข์ที่ขันห้าในั้นจิตไม่เป็นทุกข์แน่แวเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆทางเขาเรียกว่าเวทนาขันนี่เราหมายถึงกัรห้าชัญญาขันคือความจดจำทางขานขันคือความปรุงวิญญาณขันคือความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมแล้วท่านเรียกว่า นี่คือขันห้าถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่ในวงขันห้านี้เวทนามันก็แสดงตัวของมันตามสภาพของมันอย่างนั้นจะเป็นสุขก็เป็นเรื่องของสุขล้วนๆถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์ล้วนๆนันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นรูปกายก็เป็นรูปกายอย่างนี้ทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยรูปกายไม่รับทราบรูปกายมมีความหมายในตัวเองและมันมีความหมายในทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นก็มัมีความหมายตัวเอง และไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นทุกข์นี่จึงเรียกว่าเป็นของจริงแต่ละอย่างทุกข์จริงๆที่มันเกิดขึ้นภายใ น, นร้างกายเหล่านี้มันไม่ได้ทราบความหมายของมันนะ ว, ว่ามันเป็นทุกข์แล้วมันก่อทุกข์ให้แก่ผู้ใดมันก็ไม่ไม่มีความหมายตัวมันไม่รู้สึกนอกจากใจให้เราไปหมายมันเท่านั้นสัญญาสังขารอย่างความจําก็เหมือนกันมันสักวัจจมสังขารสักวัตถุ ใครจะเป็นผู้ไปรับช่วงจากความปรุงใครจะเป็นผู้รับช่วงจากสัญญาความจำนั้นใครใครจะเป็นผู้รับช่วงจากวิญญาณความรับทรา์นั้นถ้าไม่ใช่นะจิตจิตถ้าเป็นจิตที่รู้ก็มีเครื่องมือจับเหมือนกับเราจับไฟด้วยเครื่องจับเช่นคีมไปคีบเอาไฟมันก็ไม่ไหม้เราถ้ามือไปจับไฟก็ไหมนะ้จิตที่มีเครื่องมือมีสติมีปัญญา อบตัวพิจารณาเวทนารู้เวทนาไม่ร้อนไม่ทุกข์มีเครื่องป้องกันจิตที่บริสุทธิ์ทรียว่ามีเครื่องป้องกันเต็มตัวทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นเหมือนกองายทั้งกองก็าตามจิตก็เป็นจิตล้วนๆเป็นความสุขล้วนๆอยู่ภายในตัวไม่เข้าคับไม่เลยค้าเข้าวกันเลยนี่จังหวะต่างอันต่างจริงเป็นอย่างนี้นี่ตามหลักความจริงแท้เป็นอย่างนี้ แต่สิ่งที่มันปีนหลักความจริงก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นก็เอื้อมมือไปจับอะไรเกิดขึ้นก็เอื้อมมือไปจับไปยึดไปถือมันก็เหมือนกับเอื้อมมือไปจับไฟมันก็ร้อนเข้ามาถู่ที่ใจร้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความหลงมากหลงน้อยยึดมากยึดน้อยถ้าไมา่ยึดเสีย เ, ยเลยด้วยอำนาจของปัญญาที่รู้รอบขอบคิดหมดแล้วหรือจิต บ, บริสุทธิ์ล้วนแล้ว สิ่งนั้นก็สับตะวัสแสดงตัวตามเมืองของมันเท่านั้นไม่มีความหมายอันใดเลยต่างอันต่างแสดงก็มีความหมายตัวเองต่างอันต่างจริงไปตามหลักธรรมชาติของมันจิตก็จริงไปตามหลักธรรมชาติของจิตมันจริงไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องความเจ็บความปวดในธาตุในขันไม่มีปัญหาอันใดในเรื่องความร่วมความตาความสลายแห่งธาตุนี่มันมีเท่าไหร่มันจะไหลไปกตามเรื่องของมันที่มันมันสลายลงไปเท่านั้นให้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจ ยุ่งเหยิงมุ่มหมายประทังเลยนี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่าน ส, นสอนผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้วจะรู้ความจริงดังที่กล่าวมานี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ที่ท่านว่าความเป็นความตายมันเท่ากันมันเท่ากันอย่างนี้เนี่ยเวลามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้อะไรจากธาตุจากคันอันนี้เพราะจิตพอตัวซะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการ อะไรมาเพิ่มเติมจากธาตุขันหรือจากสิ่งใดทั้งหมดเนะวลาสิ่งนี้สลายตัวลงไปจิตก็พอตัวอยู่แล้วจะไปล่มจมที่ไหนหาความล่มจมไม่มีเพราะธรรมชาติที่รู้ที่บริสุทธินี้ไม่ใช่ผู้ล่มจมนะจะเจ้าความล่มจมมาได้เยียดเธอธรรมชาตินี้ได้อย่างไรนะเมื่อธรรมชาตินี้พอตัวอยู่แล้วจะอะไรมาแฝงจะอะไรมาเพิ่มมันก็ไม่ติดเพราะธรรมชาตินั้นไม่ติดนะ อันนี้ว่าความตายความเป็นมันเท่ากันไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันและเป็นธรรมดาธรรมดาเราไม่รู้ให้เห็นตามความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ปีนเปียวแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่โตใหญ่นะขณะที่เกิดก็ใหญ่ดีใจโอ้โหรูกเราเกิดหลานเราเกิดเป็นผู้หญิงแต่ต้องการผู้หญิงไปแล้วโอ้ยดีใจมากแต่ต้องการผู้ชายแล้วหลานผู้ชายดีใจมากนมน มันเป็นเรื่องใหญ่โตนั่นน่ะเรื่องดีใจเราเป็นเรื่องใหญ่โตนี้เวลามันตายสิทีนี้ความดีใจอย่างใหญ่โตความเสียใจใหญ่โตมันก็เท่ากันีงเห็นไหมนี้เวลาเกิดมันใหญ่โตตายมันก็ใหญ่โตนี่เวลาเกิดมันใหญ่โตเขาจริงนะเวลาหลงเราพอใจแต่เวลาตายเรารู้แล้วมันก็ไม่ใหญ่โตตกหลงก็ไม่ใหญ่โตทั้งย้อนไปทางหลังที่มันเกิดมันก็ไม่ใหญ่โตมันเท่ากัน ัลตายก็เท่ากันนะเรียนทำเรียนดังนี้ปฏิบัติทำก็ปฏิบัติที่ตัวเราเรื่องมันอยู่ที่ตัวเราเรื่องทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ก่อให้เกิดทุกข์ก็อยู่นที่ตัวของเรามากคือข้อปฏิบัติจะกําจัดความลุ่มหลงอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็อยู่กับตัวของเราเมื่อกําจัดได้มากน้อยนี้รุตคือความดับทุกข์ก็ดับไปเป็นลำน้ำดับ เมื่อดับกรรจัดได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนิโรธก็ทําดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงก็ดับที่ตรงนี้ไม่ดับที่ตรงไหนเพราะกองทุกข์อยู่ที่ตรงนี้ดับก็ดับนที่ตรงนี้หายกังวลกันที่ตรงนี้ผาสุกสบายที่ตรงนี้นี้เท่านั้นศาสนาเมื่อรวมลงแล้วของแต่ละคนะคนผู้ปฏิบัติตัวมารู้ที่ตรงนี้แล้วหมดปัญหาไปทั้งโลกกระถ้ามีอะไรมาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงให้วุ่นวายต่อไปเพราะผู้นี้ไม่เป็นผู้วุ่นวายอีกแล้ว ก็สมายแสนสบายนะเนี่ยพามมีศาสนาอยู่ภายในตนเรามีความหวังเป็นประตูจากการปฏิบัติของเราพาไม่มีศาสนาประจําตนมีหาความหวังไม่ได้เขาอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปตามเหมือนกับโลกทั่วไปหรือเหมือนกับสัตว์ที่เขาอาศัยกินยากกินอะไรอะไร ตามอาหารที่ถูกกับวิสัยของเขาพอตายไปแล้วก็ไม่หมดความหมายไม่ทราบจะหวังอะไรมนุษย์เราฉลาดกว่านั้นนี่เวลาเราอยู่เราก็มีบ้านมีเรือนมีพ่อมีแม่มีสมบัตเงินทองเข้าของมองดูอะไรก็มีแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นถ้าจิตใจของเราไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักลืดแล้วมันก็ว้าวเยมองเพียงเห็นแต่สิ่งนั้นทีนี้มองเข้ามาจิตนี่จะอาศัยลายต่อไป มันก็หาทางอาศัยไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราเวลาจะล้มจะตายเกิดความว้าวุ่นขุ่มวัวมากมายก็เพราะจิตไม่มีหลับยึดภายในจิใจประยุทธ์จิงภายนอกกลัวจะตายพับพลาดจากสิ่งนั้นพับพลาดจากสิ่งนี้เลยุ่งไปหมดะและก็อความวุ่นมาให้กับตนในวาสุดท้ายก็ไปใหญ่จิดที่มีศาสนาจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองปิดนี้ทําเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะตนได้บําเพ็ิมาแล้วมันมีความอบ อ, อุ่นอยู่ภายในตัวสิ่งที่ เวลาที่ควรจะปล่อยมันปล่อยให้มันได้โดยลำดันบยนส่วนภายในนี้เป็นตัวของตัวขึ้นมานี่เวลานี้เราจะอาศัยอันนี้ต่อไปเรายึดนั้นนั่นอาศัยที่นั้นนั่ น, น, นเวลานี้หมดวิสัยที่ไปหยุดนั้นแล้วมีอันนี้เป็นวิสัยของเราเหมาะสมกับเราอย่างยิ่งก็คือความดีมันก็ยุดตรงนี้ตายก็สุขโตไปเลยลานความมีศาสนาภายในจิตใจเป็นอย่างนี้ไม่เสียท่าเสียทีทั้งมีชีวิตอยู่ทั้งเวลาตายไป อาศัยทั้งส่วนธาตุส่วนขันนิสัตตบริวารทุมบมัดเงินทองก็ได้อาศัยไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่หลับจิตใจก็ได้อาศัยคุณงามความดีซึ่งเป็นคุณอยู่แล้วหลบลงก่อนทั้งโลกนี้และโลกหนาเราไม่เสียท่าเสียทีสงความเป็นมนุษย์ที่ฉลาดกว่าบรรดาสัตว์นี่มุษย์เราสูงกว่าสัตว์สูงอย่างนี้เองมันเปนสูงเงเพียงฉลาดแต่ไม่สามารถที่จะหาความสุขให้แก่ใจั้งบนอันสําคัญนี้ได้ ต้องห้ได้ทั้งสองอย่างที่ว่าเป็นผู้ช า, ลายละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร